วันนี้เป็นวันจันทร์ที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2563เป็นวันที่มีการแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งตามตารางที่ได้จัดไว้คือทุกสี่วันด้วยกัน จะมีการแสดงธรรมสดๆ ส, สักครั้งหนึ่งเพื่อให้ญาติโยมผู้ที่สนใจธรรมได้ยินได้ฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งกาเลนะธรมรมะสวงังเอตัมังกาลมุตัมัง มงคลคืออะไรมงคลก็คือความสุขใจความเจริญใจจิตใจจะมีสุขเวลาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมและจิตใจจะมีโอกาสได้เจริญสูงขึ้นตามลำดับของใจใจของสัตว์โลกนี้ เป็นใจที่ขึ้นๆลงงตามการกระทาของตนเองการกระทานี้เรียกว่ากรรมกรรมก็มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีกรรมดีก็จะส่งให้จิตใ จ, จเจริญสูงขึ้น กรรมไม่ดีก็จะดึงจิตใจให้ต่าลงการฟังธรรมก็จะได้เรียนรู้วิธีการกระทําที่ดีและที่ไม่ดีการกระทําที่ไม่ดีก็จะละเวน้นไม่กระทําการกระทําที่ดีก็จะ การทํอันนี้คือการฟังเทศฟังธรรมเพื่อฟังเพื่อให้รู้ทางขึ้นทางลงของจิตใจจิตใจของสัตว์โลกอย่างพวกเรายัางเป็นจิตใจที่มีการกระทำทั้งสองรูปแบบ มีการกระทำดีบ้างมีการกระทำที่ไม่ดีบ้างเพราะไม่รู้ว่าการกระทำของตนนั้นมีผลต่อจิตใจของตนอย่างไรถ้าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรม ก็จะไม่รู้และไม่สนใจเพราะการกระทำของสัตว์โลกมุ่งไปที่การหาความสุขทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นเป็นหลักดังนั้นถ้าการกระทำอะไรทำให้ได้ลาบยศสรรเสริญ ได้ความสุขทางตาหูจมูกกลิ้นกายก็จะยินดีที่จะกระทำกันถึงแม้ว่าจะเป็นการกระทำที่ไม่ดีตามหลักกรรมเช่นการทำบาปกรรมต่างๆบางคนก็ยินดีที่จะทำ ถ้าทำบาปกรรมแล้วทำให้ได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลกล่นกายก็จะคิดว่าเป็นการกระทําที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับตนเองได้มีความสุขจากการได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ มาเสพมาสัมผัสแต่ผลที่กระทบกับจิตใจของตนเองนี้จะไม่รู้จะไม่รู้ว่าการกระทำบาปเป็นการดึงจิตใจของตนเองให้ลงตำ่ำสถานภาพของจิตใจจะลงต่ำจากสถานภาพที่เป็นอยู่ าภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็คือเป็นมนุษย์แต่พอไปกระทำบาปเพื่อที่จะได้ลาบยศสรรเสริญได้ความสุขในรูปจากรูปเสียงกิจรสต่างๆมาถึงแม้ว่าจะได้ความสุขแต่ก็เป็นความสุขแบบชั่วคราว สิ่งที่ได้ตามมาต่อไปก็คือได้ความเสื่อมทางจิตใจได้ความทุกข์ทางจิตใจตเวลาทำบาปถ้าเราสังเกตดูเราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจก่อนทำบาปกับหลังจากที่ได้ทำบาปแล้วเราจะเห็นความแตกต่างของใจเราเวลาทำบาปแล้ว ใจก็จะเริ่มเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาไม่สบายใจในรูปในหลายรูปแบบด้วยกันไม่สบายใจเพราะกลัวจะถูกจับไปลงโทษหรือทาบาปเพื่อปกปิดไม่ให้ผู้อื่นรู้ก็จะมีความไม่สบายใจกลัวผู้อื่นจะรู้เข้า นี่คือความทุกข์ที่ตามมาจากการกระทำบาปเพื่อให้ได้รับความสุขจากาลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความสุขที่ได้ก็เป็นชั่วประเดียวประดาวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปแต่ความทุกข์นี้มันไม่หมด มันฝังอยู่ในใจต่อไปทุกครั้งที่คิดถึงบาปที่ได้ทำไว้ก็จะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและผลที่สะสมคือความเสื่อมของใจก็จะสะสมไปเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ทำให้ความเป็นมนุษย์นี้ลดน้อยถอยลงไปทําให้ความเป็นสัตว์ในอบายก็จะมีเพิ่มมากขึ้นผู้ที่ทําบาป น, นี้จิตใจจะกลายเป็นสัตว์ที่อยู่ในอบายอบายนี้มีอยู่สี่ระดับด้วยกันคือระดับของเดลฉาน ของเปรตของอสุรกายและของนรกพอกระทาบาปในแต่ละครั้งจิตใจก็จะเสื่อมไปจากการเป็นมนุษย์ให้ไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นนรกบ้างขึ้นอยู่กับ สาเหตุของการกระทำบาปถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงคือหลงผิดคิดว่าไม่เป็นไรเช่นทำบาปเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงชีวิตของตนทำอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าสัตว์ชนิดต่างๆเพื่อนำเอามาทำเป็นอาหาร หรือเพื่อนำเอาไปขาย<ม>เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินทองเป็นอาชีพ<ม>การกระทําบาปแบบนี้ถึงแม้ทางโลกจะไม่ไม่ถือว่าผิดคือ<ม>ไม่มีกฎหมายที่จะห้ามไม่ให้คนทําอาชีพด้วยการฆ่าสัตว์<ม>ตัดชีวิต<ม>สามารถฆ่าเป็ดฆ่าไก่ ฆ่าวัวฆ่าควายได้ไม่ติดคุกติดตารางยกเว้นถ้าไปฆ่ามนุษย์เท่านั้นถึงจะถือว่าเป็นการผิดทางโลกผิดทางกฎหมายที่จะต้องถูกจับไปลงโทษแต่ทางกฎแห่งกรรมนี้มีผลต่อจิตใจทันทีคือเริ่ม แปลงจิตใจที่เป็นมนุษย์นี้ให้กลายเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างถ้าทําบาปด้วยความหลงก็จะทําให้เป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทําบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆทางทั้งที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีมากแต่ความโลภอยากได้มาก ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะทาให้เป็นเปรดเป็นดวงวิญญาณชนิดหนึ่งหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วถ้าทาบาปด้วยความกลัวกลัวจะถูกเขาทำร้ายก็เลยไปทำร้ายเขากันป้องกันตนเองอันนี้ก็เป็นการลดจิตใจให้ลงต่าเป็นอาสูรละกาย ถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมร่างแค้นกันอันนี้ก็จะทำให้เป็นนรกขึ้นมานการทำแต่ละครั้งมันก็จะเป็นเหมือนเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารครั้งหนึ่งฝากยอดของเงินฝากก็เพิ่มสูงขึ้นทุกครั้งที่ทำบาปยอดของบาปก็จะมีมากขึ้น อันนี้เป็นส่วนของการกระทาบาปที่จะลดหรืเดึงจิตใจให้เสื่อมให้ต่ำลงจากมนุษย์ลงไปสู่เดรัจฉานสู่เปรตสู่อสุรกายสู่นรกอันนี้จะส่งผลก็ตอนที่ ร่างกายของมนุษย์นี้ตายไปแล้วดวงวิญญาณก็จะไปเป็นตามบาปกรรมที่ได้ทำไว้ถ้าทำบาปด้วยความหลงมากกว่าอย่างอื่นก็จะไปเป็นเดรัจฉานก่อนแล้วก็ไปเป็นอย่างอื่นต่อตามลำดับของการกระทำบา บาปไหนมากกว่าบาปนั้นก็ส่งผลก่อนบาปที่มีน้อยกว่าตามก็รอรอลำดับต่อไปพอพ้นจากการเป็นเดรัจฉานก็อาจจะไปเป็นเปรตต่อจากเปรตก็อาจจะไปเป็นอัอ้วศูนย์กายต่อหรือไปเป็นนรกต่อ จนกว่าบาปกรรมที่ได้ทำไว้หมดกำลังที่จะส่งผลถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่อไปออนี่แหละคือการกระทาที่ผู้ที่ไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมจาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองเพราะว่า เกิดขึ้นกับดวงใจดวงจิตที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาจึงทำให้คนนี้ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะเห็นแต่ร่างกายเท่านั้นก็คิดว่าผู้ที่ทำกรรมคือร่างกายและผู้ที่จะรับผลของกรรมของบาปก็คือร่างกายนั่นเองแล้วจากภาพที่ได้เห็น ก็เห็นว่าบางคนทำบาปแล้วกลับไม่ได้ถูกลงโทษแต่อย่างใดราะอะไทำให้ไม่กลัวบาปกัน yeah. <Yeah. S 1> คิดว่าทำแล้ว <Yeah. S 1> ไม่มีผลเกิดขึ้นกับตน <Yeah. S 1> หรือถ้าเกิดขึ้นมีโทษตามมาก็สามารถที่จะ uh, ปัดเป่าหรือนบล้างโทษนั้น ด้วยอำนาจทางยทางใดทางหนึ่งอำนาจทางการมีตำแหน่งสูงสูงก็สามารถที่จะลบล้างโทษที่ตนเองทำได้หรืออำนาจทางการเงินก็สามารถที่จะทำสิ่งที่ผิดให้กลายเป็นไม่ผิดไปได้เพราะผู้ตัดสินคดีนั้นเป็นผู้ที่ ยินดีที่จะรับเงินทองเมื่อยินดีที่จะรับเงินทองเมื่อได้รับเงินทองก็ตอบสนองผู้ที่ให้เงินทองผู้ที่ให้เงินทองต้องการให้ตัดสินว่าไม่ผิดก็สามารถบิดเบือนคดีให้มันออกมาไปในทางที่ไม่ผิดได้คนเลยไม่ค่อยกลัวบาปกัน พอเห็นว่าทาบาปแล้วได้ดีมีถมไปแต่ทาดีแทบเป็นแทบตายทาดีกับไม่ได้ดีทาดีทําบาปกับได้ดีนะก็เลยทาให้ไม่กลัวบาปทําให้กล้าทําบาปกันสังคมเราคงจะได้ยินข่าวขาวกันทุกวันในหน้าหนังสือพิมพ์จับคนนั้นมาพ่อไปทําบาปกัน จับคนนี้มาพ่อไปทำบาปกันจับไปขังคุกขังตารางเยอะแยะไปหมดนั่นก็จำเป็นพวกที่หลีไม่พ้นหรือไม่มีอำนาจทางตำแหน่งหน้าที่การงานหรือไม่มีอำนาจทางการเงินการทองก็เลยไม่สามารถที่จะไ ป, ปลบล้างความผิดที่ตนเองทำได้ ก็ต้องไปรับผลของการกระทาผิดของตนแต่นี่เป็นเพียงเซี่ยวเดียวของการรับผลคือเซี่ยวทางร่างกายส่วนทางร่างกายแต่อีกส่วนหนึ่งส่วนทางจิตใจนี้ไม่มีอำนาจการทางการเงินหรืออำนาจทางตําแหน่งหน้าที่การงานจะสามารถมาลบล้าง วิบาก ค, คือผลของการกระทำบาปต่อให้ที่เกิดขึ้นกับจิตใจได้แต่ต้องรอให้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปก่อนวิบากกรรมถึงจะเกิดขึ้นได้ในขณะอยู่วิบากกรรมก็จะให้ความรู้สึกทุกข์คนที่ทำบาปนี้ก็จะมีความรู้สึกไม่สบายใจ มีความหวาดระแวงมีความหวาดกลัวต่างๆนานนนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำไมคนเราในโลกนี้จึงทำบาปกันมากมายเพราะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้ว่านอกจากร่างกายแล้ว ยังมีจิตใจอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องรับผลบาปต่อไปด้วยและเป็นผลที่หนักกว่ายาวกว่าผลที่ทางร่างกายได้รับนี่คือประโยชน์ที่จะได้จากการฟังเทศน์ฟังธรรมจะได้รู้ว่าการกระทําต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบาปก็ดีเป็นบุญก็ดีจะมีผลกระทบต่อจิตใจมากกว่ามีผลกระทบต่อร่างกายถ้าฟังแล้วเห็นภาพตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ก็จะเกิดความกลัวบาปขึ้นมาจะไม่กล้าทำบาปกัน แล้วก็ถ้าฟังเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำบุญทำความดีก็จะทำให้เกิดมีความยินดีที่อยากจะทำบุญไปเรื่อยๆทำความดีไปเรื่อยๆเพราะประโยชน์ที่ได้รับจากการทำความดีเป็นอย่างไรก็ตรงกันข้ามกับประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทาบาป การกระทำบาปดึงจิตใจให้ลงต่ำแต่การทำบุญทำความดีเป็นการส่งจิตใจให้ขึ้นสูงเพราะว่าระดับของจิตใจนี้ที่เหนือกว่ามนุษย์นี้ยังมีอีกหลายระดับด้วยกันมีระดับเทพมีระดับพรหมมีระดับพระอริยบุคคล ที่จิตใจของผู้ที่ทำความดีชนิดต่างๆสามารถที่จะส่งจิตใจของตนให้ขึ้นสูงขึ้นไปได้ตามลำดับนะถ้าสมมุติว่าไม่ได้ทำบาปก็จะปิดประตูบ่ายพอไม่ได้ทำบาปแล้วแล้วก็หันมาทำบุญ ทำบุญด้วยรักษาศีลด้วยเนะี่ยก็จะส่งจิตใจให้ขึ้นสูงจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพนะเทพก็มีหลายระดับมีหกชั้นด้วยกันนะก็ขึ้นอยู่กับการทำบุญทำความดีมากน้อยนั่นเองนะทำบุญมากก็จะขึ้นสู่ชั้นที่สูง ทมบุญน้อยก็อยู่ชั้นที่ไม่สูงนี่คือมีการแบ่งชั้นของเทพมีหกชั้นด้วยกันชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นดุสิตชั้นบรนิมชั้นอะไรต่างๆเท่าที่จำชื่อได้นี่ก็มีอยู่หกชั้นด้วยกันความสุข ความละเอียดของจิตใจก็ต่างกันจิตใจก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับการไปพักโรงแรมที่มีดาวต่างๆทำไมเขาต้องมีจัดดาวไว้หรือร้านอาหารมิชลินเขาก็มีดาวดาวหนึ่งดวงดาวสองดวงดาวสามดวงเคอเป็นการบอกให้รู้ถึงความสุขที่จะได้รับจาก การไปใช้บริการตามสถานที่เหล่านี้อยู่โรงแรมดาวหนึ่งก็สู้สองดาวไม่ได้สองดาวก็สู้สามดาวไม่ได้แต่ค่าใช้ใจ่ายก็เพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับไม่ใช่ค่าใช้ใจ่ายเท่ากันต้องเลือกได้ว่าฉันจะเอาชั้นเอาดาวเยอะๆก็ไม่ได้ถ้ามีค่าใช้ใจ่ายระดับดาวเดียวเขาก็ให้ไปอยู่ชั้นดาวเดียว ถ้ามีค่าใช้ใจ่ายสองดาวเขาก็จะให้ไปอยู่ชั้นใดการทําบุญก็แบบนี้การทุกครั้งที่เราทําบุญก็เหมือนจ่ายเงินนี่แหละจ่ายค่าโรงแรมจ่ายค่าสวรรค์ชั้นต่างๆซื้อสวรรค์ชั้นต่างๆทำร้อยบาทก็สู้ทํำพันบาทไม่ได้ทํำพันบาทก็สู้ทำหมื่นบาทไม่ได้อันนี้ในตัวของคนคนเดียวกันนะ ไม่ได้พูดถึงกับอีกคนหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งนี่คนที่ทำพันบาทอาจจะสู้คนที่ทำร้อยบาทไม่ได้ก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งนี่เราต้องดูปริมาณของเงินที่เขาเสียสละว่าเขาเสียสละร้อยละเท่าไหร่ถ้าเขาทำร้อยหนึ่งนี่เขาเสียสะละร้อยละสิบ ส่วนคนทาพันหนึง่งเสียสะ100ละร้อยละหนึ่งคนที่ทำพันหนึ่งก็จะไม่ได้ความสุขเท่ากับคนที่ทําบนร้อยบาทเพราะว่าการเสียสละต่างกันคนเสียสละร้อยบาทเพราะเขามีอยู่พันเดียวแต่เขายินดีเสียสละไปร้อยละสิบแต่คนที่เสีย ทำบุญพันหนึ่งนี้เขามีอยู่แสนหนึ่งเขาเสียไปพันหนึ่งก็เท่ากับเสียร้อยละหนึ่งเท่า น, นั้นเองเขายังมีเหลืออีกต้องเก้าหมื่นกว่าแต่คนที่ทำร้อยหนึ่งนี่มีพันหนึ่งนี่เหลือเพียงเก้าร้อยนอันนี้ฉะนั้นคนที่มีเงินทองน้อยไม่ต้องเสียใจเพราะจะได้ทําน้อยแต่ได้มากได้ผลเท่ากับคนที่ทํามาก กับคนที่มีมากคนที่มีมากต้องทํามากต้องดูสัดส่วนของทรัพย์สินของตนเองว่าทําไปเท่าไหร่ อ, อทําทําไปครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินนี่สองคนทําเท่ากันคนละครึ่งแต่ปริมาณเงินไม่เท่ากันเพราะคนหนึ่งมีล้านหนึ่งก็ทําห้าแสนคนหนึ่งมีแสนหนึ่งก็ทำห้าหมืน่น แต่ความรู้สึกทางจิตใจนี้เท่ากันเพราะได้เสียสละเท่ากันไม่มีความรู้สึกว่าได้เสียเท่ากันเพราะพูดนี้ก็ขอให้ท่านที่มีเงินน้อยไม่ต้องวิตกว่าโอ๊ยฉันมีเงินน้อยฉันจะไม่สามารถขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นสูงสู่สวรรค์ชั้นหกดาวได้ก็ทําให้มากตามสัดส่วนของตัวเอง ทำไปร้อยหนึ่งเลยร้อยเต็มร้อยอย่างพวกที่ไปบวชนี่เขาก็เหมือนกับเขาทำร้อยเต็มร้อยละเงินทองที่เขามีนี่เขาก็ทิ้งง่ายกว่าอื่นเพราเวลาบวชนี้ไม่ให้เอาเงินติดตัวไปพวกนี้เขาก็จะไปสวรรค์ชั้นสูงกว่าชั้นเทพเพราะพวกนี้เขามุ่งไปที่สวรรค์ชั้นพรมกับสวรรค์ชั้นพ ร, พร ะ, นนพะอริยบุคคล เพราะว่าเมื่อเขาบวชแล้วเขาก็จะไปบำเพ็ญจิตตภาวนาไปถือศีลแปดเพื่อทําใจให้สงบทําใจให้ได้รูปฌานกับอรูปฌานพอใจสงบได้รูปฌานหรืออรูปฌานใจก็จะเป็นพรหมขึ้นมาเสดความสุขจากความสงบ แทนที่จะเสกความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแบบพวกเทพแบบพวกมนุษย์ก็ไปเสกความสงบเสกความสงบขั้นรูปปัจจานกับความสงบขั้นอรูปปัจานขั้นอรูปปัจานนี่สูงกว่าขั้นรูปปัจจานเพราะมีความสงบมากกว่ามีความสุขมากกว่านี้คือ ความสุขทางจิตใจนี้ถ้าต้องการให้ไปสูงขึ้นสูงขึ้นนี้แทนที่จะต้องใช้เงินมากขึ้นมากขึ้นนี้กับไม่ต้องใช้เงินเลยแต่จะต้องสละเงินที่มีอยู่ทิ้งไปให้หมดไม่ให้มาเป็นภาระกังวลกับจิตใจเพราะถ้ายังมีภาระกังวลกับจิตใจการจะไปทำใจให้สงบนี้จะมีอุปสรรค มีนิวรณคอยกังวลว่าดอกเบีย้ยขึ้นหรือลงมีข่าวคาวว่าธนาคารนี้จะล้มหรืออะไรก็จะทำให้หวันไหวยังรักยังห่วงเงินทองอยู่ฉะนั้นก็จะทำให้ใจสงบได้ยากถ้า ต, ต้องการให้ใจสงบนี้ต้องไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยยกเว้นทรัพย์สินที่จะเป็นเช่น สำหรับพาะก็อัตบบริขารแล้วก็ที่อยู่อาศัยตามมีตามเกิดไปใจก็ไม่กังวลกับของเหล่านี้เพราะเป็นของถูกของหาได้ง่ายถ้าเกิดหายไปก็หาใหม่ได้มไม่ยากเย็นเลยอย่างนี้นี่แหละคือความสูงและความสุขของจิตใจ ที่เราสามารถยกระดับจากการเป็นมนุษย์นี้ให้ขึ้นไปเป็นเทพได้เป็นเทพด้วยการรักษาศีลห้าและทำบุญทาทานตามกําลังแล้วถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่าชั้นเทพก็เปลี่ยนจากการรักษาศีลห้ามารักษาศีลแปดแล้วก็มาฝึกภาวนาส ม, มถะภาวนาคือทำใจให้สงบ นั่งสมาธิ mm hmm. การจะทำใจให้สงบนี้จำเป็นที่จะต้องมีสติ mm hmm. เป็นผู้คอยกากับใจคอยหยุดความคิดปุุงแต่งต่างๆของจิตใจ mm hmm. mm hmm. ถ้าไม่มีสติใจจะคิดเรื่อยเปื่อ mm ย hmm. เหมือนกับรถนี่ถ้าไม่มีเบรกมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆมันก็จะหยุดไม่ได้จะให้ใจหยุดนิ่งสงบเป็นรูปฌานขึ้นมาจําเป็นจะต้องมีสติที่ทําหน้าที่เหมือนเบรกของรถยนต์รถยนต์ถ้าไม่มีเบรกก็จะไม่สามารถหยุดรถได้ ใจถ้าไม่มีสติก็หยุดใจไม่ได้ทําใจให้นิ่งเป็นฌานขึ้นมาไม่ได้เะฉะนั้นผู้ที่ต้องการาขั้นรูปฌานหรืออรูปฌานจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเจริญสติก่อนอเหมือนกับผู้ที่ต้องการหยุดรถยนต์ต้องไปติดเบรกก่อนถ้าไม่ติดเบรครถก็จะหยุดไม่ได้ เวลาวิ่งมาถึงสีแยกไฟแดงก็จะ่าไฟแดงไปก็อาจจะเกิด อ, อุบัติเหตุขึ้นมาเห็นเวลาผู้ขับรถยนต์นี้รู้ว่าเวลาเหยียบเบรกแล้วรถไม่หยุดเน่รู้แล้วว่าต้องเข้าอู่ทันทีไม่มีใครกล้าฝืนขับต่อไปฉันใดถ้านั่งสมาธิแล้วใจยังไม่หยุดคิดเนี่ย ก็แสดงว่ายังไม่มีสติสติมีกําลังน้อยมากไม่พอที่จะหยุดความคิดต่างๆได้จึงจำเป็นที่จะต้องหัดเจริญสติก่อนที่จะมานั่งสมาธิการเจริญสติก็จเจริญได้หลายรูปแบบด้วยกันหลายวิธีด้วยกันแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ความถนัด การถ้าเรายังมีการเคลื่อนไหวอยู่การใช้การบริกรรมพุทธโธนี้ก็เหมาะสมช่วยหยุดความคิดปุงแต่งได้หรือการควบคุมใจให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายเช่นกำลังเดินก็ให้ดูเท้าที่เดินตอนนี้ก้าวเท้า ใจตอนนี้ก้าวเท้าขวาเวลาทำงานเวลารับประทานอาหารก็ดูการตักอาหารตักอาหารจากจานเข้าสู่ปากเคี้ยวกลืนแล้วก็ตักอาหารใหม่เข้าปากใหม่ใจต้องอยู่ในขั้นตอนของการกระทําทุกขั้นตอนอถึงจะดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ แถ้าทำแบบที่เคยทำสากอาหารเข้าปากไปก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปรู้คุยกันสารสาหารเข้าปากก็คุยโอ้ยอันนี้อร่อยอย่างโ น, นอย่างนี้ออันนี้เรียกว่าไม่ไม่มีการเจริญสติปล่อยใจให้ไหลกลิ้งไปทั้งกับการเคลื่อนไหวของการกระทําของร่างกาย และการคิดถึงเรื่องราวต่างๆควบคู่ไปด้วยถ้าเราต้องการมีสติเราต้องหยุดถ้าเราไปวัดปฏิบัติเวลาเห็นพระฉันนี่เราจะแปลกใจว่างเงียบพระท่านจะนั่งฉันกันเงียบแต่เวลาไปดูญาติโยมกินกันนี่โอ้โหเฮหาปาร์ตี้โวยวายวกเวง นั่นและลความต่างของความของการเจริญสติเวลาพาฉันนี่ท่านจะมีสติอยู่กับการฉันอย่างเดียวหยิบอาหารเข้าปากก็รู้ว่ากําลังหยิบอาหารเข้าปากกําลังเคี้ยวอาหารก็รู้ว่ากำลังเคี้ยวอาหารกําลังกลืนก็รู้ว่ากําลังกลืนพาที่อยู่กับน้งตานี้บางรูปเผลอสติเวลาหยิบผักบุ้งเข้ามาเคี้ยวก็เคี้ยว อ, อย่างกรอบกรอบกรอบกรอบ สองเสียงดังทำให้หลวงตามองหน้าขึ้นมา่อเห็นหลวงตามองหน้าเท่า น, นั้นได้สติโอ้ย ก, ก็กินแบบไม่มีสติเนี่ยำลังเมากับความกราบของผักบุ้งทีนี้เวลาจะเคี้ยวผักบุ้งกตลังเคี้ยวทีกรุบแล้วก็มองมซ้ายมองขวาทีแล้วก็กรุบเนี่ยเอาทีละกรุบเนี่ย ต่อไปก็ไม่กินมันดีกว่าอันไหนที่ทำฉันแล้วทำให้มีเสียงดังนี่พะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงกันเพราะว่ามันเป็ น, เ ป, นเป็นการหนึ่งเป็นการไปบรบกวนผู้อื่นเขาส่งเสียงดังสองเป็นการไม่มีสติถ้ามีสติมันก็ไม่มันอย่างเงี้ยเขียวทีละกุบที่ะกุบ เวลานั่งฉันนี้เราจะที่วัดป่าบ้านตานี้เราจะนั่งเป็นวงหลวงตาท่านนั่งตรงนี้แล้วพระก็จะนั่งน้อมท่านหลวงตาจะเห็นทุกรูปใครฉันอย่างไรมีความระมัดระวังมีสติหรือไม่อย่างไรนี่เห็นตลอดเวลาเนี่ยอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เก่งนั่นจะมีมาตรการ ที่จะคอยควบคุมให้ลูกศิษย์ลูกค้ามีสติกันทาอะไรให้มีสติกัน mm. นี่คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะไปนั่ง mm. เราต้องสามารถควบคุมใจให้ไม่ให้คิดในเรื่องราวต่างๆให้ใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ถ้าไม่สามารถที่จะดึงใจให้อยู่กับงานที่ร่างกายกำลังทำอยู่ได้อย่างต่อเนื่องก็อาจจะใช้คาบริกรรมพุทโธมาช่วยพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อดึงใจให้กลับเข้ามาถ้าใจยังวับไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้อยู่ก็ใช้คำบริกรรมได้สติสองรูปแบบนี้ช่วยกันได้เสริมกันได้เวลาปฏิบัติ สามารถสลับกันก็ได้หรือเสริมช่วยกันพร้อมๆทั้งสองอย่างก็ได้ถ้าเรามีสติพอแล้วเวลาเรามานั่งที่นี้เราก็ใช้พุทธโธต่อไปก็ได้แต่เราไม่สามารถดูการเคลื่อนไหวของร่างกายได้พอ ร, ร่างกายนั่งเฉยๆแล้วที่นี้จะดูอะไรแทนก็ดูให้ดูลมหายใจเข้าออกแทน พอเวลามานั่งสมาธิถ้าเราเคยดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายพอเวลาเรามานั่งสมาธิเราก็ดูลมหายใจเข้าออกแทนเหมือนกับตอนที่เราดูร่างกายตอนที่เราเดินก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาพอเรามานั่งเราก็ดูลมหายใจเข้าออกแทนหายใจเข้าก็เหมือนก้าวเท้าซ้ายหายใจออกก็เหมือนก้าวเท้าขวาดีๆนี่เอง การดูลมนี้ก็ไม่ต้องไปจัดการควบคุมบังคับลมแต่อย่างใดไม่ต้องสั่งให้หายใจลึกๆอันนี้เป็นการฝืนธรรมชาติเป็นการทํางานของใจเราไม่ต้องการให้ใจทํางานต้องการให้ใจรู้เฉยๆไม่ให้ใจสั่งการไปที่ร่างกายให้หายใจลึกให้หายใจยาว ให้ดูดลมหายใจตามธรรมชาติของเขาลมจะยาวก็รู้ว่ายาวลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปมองก็รู้ว่าลมหายไปไม่มีลมให้มองก็มองความว่างไปมองใจมองความคิดไป ว่าใจคิดหรือไม่ช่วงที่ไม่ได้ดูลมหายใจไม่มีลมหายใจให้ดูใจคิดวิตกกังวลหรือเปล่าเช่นบางคนพอไม่สามารถดูลมได้ก็เกิดความวิตกกัง่งขึ้นมาเอ๊ะไม่มีลมหายใจเดี๋ยวร่างกายจะตายหรือเปล่ากลัวจะตายก็เลยรีบไขวยคว้าหาลมลมที่ละเอียดลมที่จะ ทำให้จิตรวมเป็นสู่ความสงบมันก็จะกลับหยาบขึ้นมาแล้วจิตก็จะหยาบกลับมาจิตก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้สำหรับผู้ที่ดูลมนี่ดูไปพอรู้ว่าลมละเอียดจนไม่สามารถดูได้ก็ดูความไม่มีลมไปดูที่เดิมดูที่ปลายจมกูกรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมให้ดูไม่มีลมเข้าไม่มีลมออก ให้ดูเฉยๆไปถ้าไม่ไปปรุงแต่งไม่ทําให้ใจหยาบขึ้นมาเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับถอนหายใจเฮือกเวลาใจสงบถ้าดูลมหายใจนี่เวลาใจหายใจสงบนี้เหมือนกับถอนหายใจเฮือกแล้วมันก็นิ่งสงบตอนนั้นมันก็ไม่สนใจกับลมอีกต่อไป ตอนนั้นมันไม่สนใจกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นตอนนั้นมันจะสักแต่ว่ารู้แล้วก็เป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วก็มีความสุขอย่างมากความสุขตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนนัตติสันติพรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือความสงบไม่มี ถ้าใครได้เข้าถึงความสุขกันนี้แล้วจะติดอกติดใจแล้วทีนี้ความเพียนมันจะมาเองล่ะเมื่อก่อนนี้ต้องคอยวิ่งตามหาความเพียนเฮ้ยดึงมันมานั่งสมาธิดึงจิตมานั่งสมาธิกันแต่ทีนี้มันจะมาชวนแล้วนี่เมื่อไหรจะนั่งเมื่อจะนั่งอยากจะกลับไปหาความสุขแบบนั้นอีกจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ถ้าเราได้สัมผัสกับความสงบแม้เพียงเชื่องูแลบลิ้นเพราะผู้ที่ได้ผลใหม่ๆนี้จะมีสติน้อยกำลังน้อยมีสติพอที่จะหยุดความคิดได้ชว่วแวบหนึ่งเพื่อให้ได้สัมผัสกับความสงบอันเลิศประเสริฐพอได้สัมผัสแล้วทีนี้รู้แล้วว่านี่แหละคือความสุขที่ดีที่สุดดีหลายประการด้วยกัน เพราะเราไม่ต้องพึ่งพาอายไข่ไม่ต้องพึ่งพาอายเงินทองเรามียากจนตกงานเราก็สามารถมีความสุขที่ดีกว่างานของคนที่มีงานทากับคนที่มีงานทำกับคนที่มีเงินเป็นมหาเศรษฐีเสียได้ซ้าไปนี่แหละมันต่างกันตรงนี้เป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้อะไรใช้อย่างเดียวคือสติ มีสติมีกําลัง <c oughs> ที่จะสามารถ <c oughs> ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ต่อไปก็จะทําได้เรื่อยๆเหมือนกับเวลาเราหัดว่ายนะ้ําหัดขี่จักรยานพอเราทําเป็นแล้วเราก็รู้ว่าเราจะทําไปได้เรื่อยๆขีข่ครั้งนี้ได้แล้วครั้งแรกที่ขี่จักรยานได้จะรู้สึกดีใจเนะตอนต้นก็กลัวกลัวมันจะลม้มเนี่ย แต่พอต่อพอมันเริ่มขี่ได้แล้วทีนี้เริ่มมีความมั่นใจนะที่รู้แล้วว่าต่อไปขี่จักรยานได้นะหรือว่ายน้ำก็เหมือนกันตอนต้นหัดว่ายน้ำใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยมั่นใจกลัวจะจมนะแต่ต่อไปพอรู้ว่าว่ายได้แล้วทีนี้ก็จะจำได้จะได้ไว่ายได้ทุกครั้งมันจะไม่ลืมอะไรที่เราฝึกหัด น, นี้มันจะลืมยาก ว่าอะไรที่เราจดจำสิ่งที่เราจดจำนี้มันลืมง่ายแต่สิ่งที่เราได้จากการกระทำนี้มันจะลืมยากกว่าฉะันใดพอเราฝึกสติได้สามารถดึงใจให้อยู่กับพุทธโธได้อย่างต่อเนื่องหรือให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อย่างต่อเนื่องสามารถลดความคิดให้น้อยลงไปได้ ถึงแม้จะไม่หมดมันก็ไม่เข้าเข้ามารบกวนใจหรือไม่มาดึงใจให้ทิ้งพุทธโธไปให้ทิ้งร่างกายไปมันเข้ามาแล้วเราไม่ไปสนใจมันมันเข้ามาเราก็พุทธโธของเราไปมันเข้ามาเราก็ดูการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายไปต่อไปมันก็จะอยู่ห่างๆมันจะไม่มาดึงใจให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเวลายาวนานน บางทีเผลอไปเป็นสิบนาทียี่สิบนาทีโอ้ไม่ได้อยู่กับพุโทโธเลยไม่ได้อยู่กับการดูร่างกายเลยถ้าเป็นอย่างนี้เวลามานั่งดูลมมันก็จะเป็นแบบเดียวกันมันก็จะไม่ได้อยู่กับการดูลมเมื่อไม่ดูลมใจมันก็จะไม่ละเอียดใจมันก็จะไม่สงบใจมันจะไม่นิ่งเพราะมันยังคิดปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆนั่นเอง ดังนั้นขั้นตอนนี้ต้องให้ความสำคัญกับสติให้มากที่สุดพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบสติว่าเป็นเหมือนรอยเท้าช้างความสำคัญของสตินี้ยิ่งใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดในป่าสัตว์อื่นแม้จะมีอำนาจร้ายแรงกว่าช้างก็ตามเช่นเสือสิงโตที่สามารถที่จะ ช้างได้แต่รอยเท้าของสิงโตนี้รอยเท้าของเสือนี้เล็กกว่ารอยเท้าของช้างรอยเท้าของช้างนี้ครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดฉันใดสตินี้ก็มีความสำคัญกว่ า, ากว่าวกว่าธรรมทั้งหมดเช่นสมาธิหรือปัญญาหรือวิมุตติถึงแม้ว่าจะเป็นธรรมอันประเสริฐเลิโลก แต่จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีสติเป็นผู้สนับสนุนพระพุทธเจ้าจึงถือว่าสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดผู้ปฏิบัติธรรมที่ต้องการสมาธิที่ต้องการปัญญาที่ต้องการวิมุติการหลุดพน้นนี้จะปราศจากสติไม่ได้จะทำโดยไม่มีสติไม่ได้ ถ้าไม่มีสติสมาธิไม่มีวันเกิดขึ้นมาได้ถ้าไม่มีสติปัญญาเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าเป็นปัญญาก็เป็นปัญญาแบบาทางโลกทางโลกก็ยังต้องมีสติสังเกตเดียวเด็กที่เรียนดีกว่าเด็กที่เรียนไม่ดีเพราะอะไรเขามีสติมากกว่าเพียงแต่ทางโลกเขาไม่ใช้คำว่าสติเขาใช้คำว่าสมาธิแทนสติ เด็กที่มีสมาธิในการเรียนจะได้จะเรียนได้เก่งกว่าเด็กที่ไม่มีสมาธิในการเรียนแต่ความจริงคําว่าสมาธินี้ควรจะเป็นสติเพราะคำ ว, ว่าสมาธิจริงๆนี้หมายความเวลาจิตสงบนิ่งไม่คิดปรุงแต่งซึ่งไม่มีใครในทางโลกจะได้สัมผัสกันแต่เขาไม่รู้กันก็ เ, เลยใช้คําสมาธิแทนสติไป <And> <c oughs> ขอให้เราเข้าใจกันเวลาที่คนทางโลกเขาพูดถึงสมาธินี่เขาหมายถึงสติ <Yeah. S 2> วันนี้ไม่มีสมาธิในการทํางานเลยอ <Yeah. S 2> วันนี้ไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือเลย <Yeah. S 2> นั่นก็เป็นเพราะเขาไม่มีสติ <Yeah. S 2> ใจเขาไม่จดจอ่อ <Yeah. S 2> อยู่กับงานที่เขากาลังทําอยู่ <Yeah. S 2> เรียนหนังสือก็เป็นงานอย่างหนึ่งอ yeah. ทำงานก็เป็นงานอย่างหนึ่ ง, ต, งต้องมีสติถึงจะทางานได้อย่างไม่บกพร่องถ้าไม่มีสติเดี๋ยวทําผิดทําถูกะดี้ไม่ดีถ้าทํากับเครื่องจักรดีไม่ดีเดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอันนี้เพราะการขาดสติลองสังเกตดูคนที่มีอุบัติเหตุนี่ส่วนใหญ่ถามได้เลยว่าเกิดจากอะไรเกิดจากการไม่มีสตินั่นแหละ มัวทำอะไรอย่างหนึ่งแล้วไปคิดอีกอย่างหนึ่งก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมานี่แหละคือคำว่าสติไม่ใช่สมาธิสมาธินี้คนในโลกนี้สัมผัสได้น้อยมากมีคนน้อยคนที่ได้สัมผัสสมาธิทวนใหญ่มีสติแต่สติก็ไม่มากไม่มากพอที่จะทาจิตให้สงบให้มีสมาธิขึ้นมาได้ ต้องมาเสริมสติสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบขึ้นมาต้องการที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับเนีพอมาถึงขั้นพรมนี้จำเป็นที่จะต้องทุ่มเทเสริมสติให้มากกว่าขั้นอื่นๆขั้นเทวดาขั้นมนุษย์นี้เพียงแต่มีสติมาไม่ให้ไปทำบาป มีสติให้ทำบุญได้ก็ถือว่าพอเพียงแต่ถ้าขั้นพรมนี้ต้องมีสติที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้จึงจาเป็นที่จะต้องฝึกสติกันให้มากๆการฝึกสตินี้ต้องทำอย่างต่อเนื่องเลยตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยากสำหรับผู้คลองเรือนยกเว้นผู้คลองเรือนที่ อยู่แบบนักบวชคือไม่มีงานต้องทำและสามารถปีกวิเวกอยู่ตามลำพังได้ก็เหมือนเป็นนักบวชสามารถที่จะควบคุมใจได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก็ตั้งสติก่อนเลยถ้าดูร่างกายก็ดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังอยู่ในท่าไห น, นกำลังอยู่ในท่านอนอกำลังจะลุกก็ให้รู้ทันทีรู้ตามเลย ร่างกายกําลังลุกแล้วนะร่างกายยืนแล้วนะร่างกายเดินแล้วนะร่างกายไปทํากิจในห้องน้ําแล้วนะต้องรู้ทุกขั้นเลยทุกขณะเลยให้เกาะติดไปกับการเคลื่อนไหวของร่างกายเลยถึงจะเรียกว่าเป็นการเจริญสติหรือถ้าเราไม่ถนัดที่จะดูร่างกายเราชอบพุทโธพอลืมตาขึ้นมา ก็พุทโธไปเลยพอใจจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ยกเว้นที่จําเป็นจะต้องคิดเนี่ยคิดว่าให้วันนี้วันอะไรจะต้องไปทําอะไรบ้างอถ้าเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดก็ต้องคิดบ้างแต่ตอนตับเดียวพอรู้แล้วว่ า, าต้องทำอะไรตอนที่ไปเตรียมตัวนี้ไม่ต้องคิดอะไรตอนนั้นถ้ามันคิดก็ต้องใช้พุทโธพุทโธพุทโธไปหรือให้มันดูการกระทําของร่างกายไปอ่ะ ทำอย่างนี้ไปฝึกไปต้องใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วพอมีเวลาว่างก็นั่งเลยเวลาที่ไม่ต้องทําอะไรก็นั่งหลับตาถ้าใหม่ๆยังนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งบนเก้าอี้ห้อยเท้าก็ได้แต่ถ้าอยากจะเป็นนักปฏิบัติเต็มรูปแบบก็ควรจะหัดนั่งขัดสมาธิจะดีกว่าเพราะว่าเป็นท่านั่งที่สบายกว่า ใหม่ๆจะรู้สึกว่ามันขัดมันเจ็บบ้างเพราะมันเราไม่เคยแต่พอกล้ามเนื้อมันอ่อนลงนะมันจะไม่รู้สึกเจ็บแล้วมันเป็นท่านั่งที่น้ําหนักมันแผ่ทั่วไปทําให้นั่งแล้วไม่ไม่เองไม่ล้มง่ายถ้านั่งบนเก้าอี้นี่มันเดียวบางทีมันนั่งนานๆมันอาจจะเองไปล้มได้หรือนั่งแล้วไม่สบายเจ็บก้นได้แต่ถ้านั่งแบบขัดสมาดนี้จะไม่ค่อยเจ็บก้นเท่าไหร่ อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องต้องพิจารณาด้วยเอถ้าเราต้องการจะได้ผลเลิศผลประเสริฐเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้เราก็ต้องเอาแบบพระพุทธเจ้าพระสาวกกันหรือพระพุทธรูปส่วนใหญ่ก็เป็นปางนั่งสมาธิทั้งนั้นออน้อยก็จะมีท่านั่งเก้าอี้บ้าง ตอนที่โปรดช้างกับลิงนี่ก็มีท่านั่งแบบนั่นก็อี้หรือท่ายืนอันนี้ก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าเวลาปฏิบัติสมาธินี้ท่านจะนั่งกันเพราะบางทีท่านเข้าฌานกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงนั้ร่างกายอยู่ในท่านั้นดีที่สุดแต่ถ้ายังไม่ได้ก็ยัง ลอลองนั่งพ่อยเท้าไปก่อนแล้วการปฏิบัติให้ดีนะควรจะอย่าอย่ามีเครื่องไม้เครื่องมือสนับสนุนมากเกินไปเพราะมันจะกลายเป็นภาระพลุงพลังต่อไปเช่นมีเบาะนั่งนี้อย่าไปมีมันมีแล้วเดี๋ยวทุกครั้งต้องมีเบาะถ้าไม่มีถ้าไปอยู่ที่ไหนไม่มีเบาะก็ะนั่งไม่ได้อย่าไปกลัวเจ็บความเจ็บมันนิดหน่อย พอฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันจะชินกับมันแล้วมันจะไม่เจ็บมากหรือถ้ามันเจ็บต่อไปเราก็จะใช้ความเจ็บนี้เป็นหินรับปัญญาได้เห็นนั่งแบบปฏิบัติแบบไม่มีของภายนอกมาสนับสนุนดีกว่าเวลานั่งไปอยู่ที่ไหนก็นั่งได้หมดถ้าต้องมีเบาะก็ต้องคอยหิ้วเบาะถือเบาะไปอยู่อ พยายามอย่ามีเครื่องม้เครื่องมือมาเสริมการปฏิบัติเพราะมันไม่จำเป็นทำไมไม่จำเป็นจะต้องมีถ้าอย่างพระทุดองถ้าท่านนั่งมีเบาะเวลาท่านทุดองไปท่านก็ต้องแบกเบาะไปด้วยอพระพยายามอย่ามีอะไรอาจจะมีผ้าไว้ปูนั่งก็ได้เพราะผ้านี้มันไม่เป็นของพละหนักพับได้ ใส่กระเป๋าได้อะไรได้แต่ไม่ได้มีไว้เพื่อนให้นั่งสบายแต่เ พ, พื่อนมันอาจจะไม่สะอาดก็ปูผ้านั่งจะได้ไม่เปื้อนเท่านั้นเองแต่อย่าไปหวังความสบายทางร่างกายอย่าไปกลัวความเจ็บทางร่างกายเวลานั่งสมาธิเวลาใจสงบแล้วมันจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความเจ็บความไม่สบายทางร่างกายะ งั้นอย่าไปให้ความสำคัญกับความสบายทางร่างกายเวลาฝึกสมาธิถ้าให้แล้วมันจะกลายเป็นภาระก็ะอาจจะกลายเป็นนิวรหุปัสสคขึ้นมาเวลาอยากจะนั่งแต่ไม่ได้เอาเบาะมาก็รู้สึกจะนั่งไม่ได้ขึ้นมาไม่มีความมั่นใจแล้วเพราะเคยนั่งแบบมีเบาะอันนี้ก็ เป็เกตเล็กๆน้อยๆที่มาเสริมให้ท่านผู้ปฏิบัติได้เข้าใจกันเอาแบบเรียบง่ายที่สุดดีที่สุดการนักปฏิบัติที่ที่จะได้ประโยชน์ที่จะมีภาระน้อยก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติแบบมักน้อยสันโดษให้มีเครื่องไม้เครื่องมือให้น้อยที่สุดเครื่องมือสนับสนุนอไม่มีเลยก็ดีเอาตัวเรานี่แหละ เป็นเครื่องมือพอแล้วเอากายกับใจเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติก็พอแล้วแล้วมันจะได้ไม่มีภาระไม่มีอุปสรรคแล้วจะสามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาทุกสถานที่ถ้าฝึกจิตไปเรื่อยๆฝึกสติไปเรื่อยๆเดี๋ยวเวลานั่งสมาธิจิตก็จะเข้าสมาธิได้ เบื้องต้นก็จะเป็นคณิกะสมาธิสงบเชั่วงูแลบเลนเชั่วฟ้าแลบแต่ความสุขที่ได้รับสัมผันนี้มันจะไม่ลืมไปจนวันตายมันจะรู้ความจะเข้าใจความหมายที่พระเจ้าทรงตรัสว่ารถแห่งธรรมชนะรถทางปวงนี่ฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาจะมาแล้ว พอได้สัมผัสกับผลเพียงแม้แต่ชั่วขณะเดียวความขยันหมั่นเพียงที่อยากจะปฏิบัติธรรมจะมากขึ้นความยินดีกับการปฏิบัติจะมีมากขึ้นใจจะคิดจะจดจ่ออยู่กับเรื่องของการปฏิบัติเมื่อก่อนอาจจะแบ่งว่าเดี๋ยวไปแบ่งไปเที่ยวหน่อยเดี๋ยวแบ่งไปดูละครหน่อยพอได้ผลตลทนนี้ไม่แบ่งแล้วเอาอย่างเดียวใจก็จะคิดอยู่แต่การ หาเวลาว่างมาปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติเพิ่มมากๆขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปจิตก็จะสงบได้นานขึ้นนานขึ้นแล้วก็จะเป็นฐานของปัญญาต่อไปในขั้นนี้เป็นขั้นขั้นของพรหมขั้นของพรหมแต่ยังไม่ได้เป็นขั้นของพระอริยบุคคลถ้าอยากจะขึ้นสู่ขั้นพระอริยะบุคคลนี้ต้องเพิ่มการเตปปฏิบัติเพิ่มอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญา คั น, นี้เป็นการสอนใจสอนใจให้มองความจริงของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ว่ามีสามลักษณะด้วยกันสามคือไตลักษณะก็คือรักทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่ใจมาสัมผัส ร, รับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มีไตรักด้วยกันคือหนึ่งไม่เที่ยงคือไม่ถาวรเป็นของชั่วคราว มีเกิดแล้วก็ดับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแล้วการเปลี่ยนแปลงนี่แหละที่ทำให้ใจทุกข์ต่อไปเพราะใจไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเวลาใจได้อะไรมาแล้วก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นไปไดเรื่อยๆพอมันไม่เป็นมันเปลี่ยนไปหรือมันจากไปก็ทำให้ล้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจขึ้นมาแล้วลักษณะที่สามของสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นอนัตตา ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนดินดินฟ้าอากาศไม่มีใครเป็นเจ้าของดินฟ้าอากาศไม่มีใครไปสั่งให้ฝนตกวันนี้ไม่ตกวันนี้ได้ฝนมันจะตกมันก็มีเหตุปัจจัยของมันจันใดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาครอบครองมาเกี่ยวข้องด้วยนี่เป็นตายลักษณ์ทั้งหมดเช่นราบยศสรรเสริญ ลาบก็คือรายได้เงินทองใช่ไหมมีรายได้เดี๋ยวก็มีรายจ่ายใช่ไหมแต่ถ้ารายจ่ายมากกว่ารายได้เดี๋ยวก็จบเดี๋ยวก็ไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปใช้เงินทองดีกว่าอาจอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินทองยศก็เหมือนกันได้ตําแหน่งก็ดีออกดีใจเดี๋ยวพอถูกปลดก็เสียอกเสียใจน อยู่แบบไม่มีตำแหน่งดีกว่าสรรเสริญก็เหมือนกันเวลาเขาสรรเสริญก็ดีอกดีใจพอเขาด่าเรารับหลังเราก็เสียใจงั้นอย่าไปสนใจกับคำคารหานินทาอย่าไปสนใจกับความอาความสรรเสริญเยินยอเราอยู่โดยที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้เป็นของจิบจอยเมื่อเปรียบเทียบกับความสงบที่เราได้ และรักษาความสงบด้วยปัญญา น, นี้คือดึงใจของเราอย่าไปยึดติดกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเราจะไม่อยากจะทุกข์กับมันนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ช้าก็เร็วมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาต่อไปนั่นเองต้องมองให้เห็นทุกข์ในทุกสิ่งทุกอย่างทุกข์ก็เป็นหนึ่งในตายลักนะเห็นทุกข์ก็ได้เห็นอนิจจังก็ได้เห็นอนัตตาก็ได้เห็นแบบในแบบหนึ่ง เพื่อทําให้ใจปล่อยวางไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวไม่ให้ไปอยากได้เพื่อใจจะได้อยู่กับความสงบได้อย่างสบายพอเวลามีความอยากไปยุ่งเกี่ยวแล้วมันจะทําให้ความสงบนี้เรือนจะเรือนเรือนหายไปความสงบจะถูกความอยากมาทำลายถ้าเราต้องการรักษาความสงบให้อยู่ต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญาคือตายลักษ์มาสอนใจไม่ให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆนั่นเอง พอเห็นด้วยตายรักแล้วความอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรก็จะหายไปพอเห็นว่าเป็นความอยากได้ความทุกข์นั่นเองอนี่นี่คือประโยชน์ของการเห็นไตรักเห็นทุกข์เห็นอะไรว่าเป็นทุกข์ได้มาแล้วเดี๋ยวต้องทุกข์กับเขาต้องล้องห่มล้องไายกับเขาสู้อยู่แบบอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบดีกว่าอันนี้คือปัญญาถ้าสามารถใช้ปัญญาดับความอยาก ขั้นต่างๆได้ก็จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้เป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและในที่สุดก็เป็นพระอรหันต์ได้พอเป็นพระอรหันต์ก็หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่ต้องมาทําบุญทําละบาปอีกต่อไปพอใจสะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีอะไรที่จะดึงใจให้กลับมาเกิดเด็กต่อไปแต่ถ้าเป็นสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นเทพนี้ยังยังต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นเทพมันจะเสื่อมหมดไปแล้วความอยากจะได้มันก็ยังมีอยู่ในใจมันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาสร้างสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรมใหม่นั่นเองแต่ถ้า ตัดความอยากเหล่านี้ออกไปได้หมดแล้วตัดการมาทันหาความอยากสวรรค์ชั้นเทพตัดภาวะตันหาความอยากในสวรรค์ชั้นผอมผอมรูปประผมวิภาวะทันหาความอยากชั้นอรูปประผมนะพอตัดความอยากทั้งสามด้วยการเห็นว่าสวรรค์ชั้นต่างๆเหล่านี้เป็นไตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราได้แล้วเดี๋ยวจะต้องเสียไปต้ต้องหมดไปก็จะหยุดความอยากได้ พอใจปราศจากความอยากใจก็เลยเป็นนิพพานขึ้นมาไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดสำหรับใจนั้นอีกต่อไปเป็นปรมังสุขขังไปตลอดเพราะไม่มีอะไรมาก่อกวนมาลบกวนความสงบมาทำลายความสงบที่ได้จากการเจริญสตินั่นเอง น, นี่แหละคือประโยชน์ที่จะได้รับจากการมาฟังเทศฟังธรรม จะได้รู้ว่าการกระทำต่างๆนี้มีผลต่อจิตใจของเราอย่างไรบ้างมีโทษกับจิตใจของเราอย่างไรบ้างมีคุณกับจิตใจของเราอย่างไรบ้างเมื่อเรารู้คุณรู้โทษกับสิ่งต่างๆแนละ้วเราจะได้เลือกทำแต่สิ่งที่เป็นคุณแล้วก็ละการกระทำสิ่งที่เป็นโทษกับจิตใจตามที่พระเจ้าทุกทุกองค์มานำมาสอนสัน์โลกก็คือให้ละการกระทบาบาปทั้งปวง ให้สร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระด้วยการภาวนาสร้างกุศลด้วยการทำบุญทำทานต่างๆละา บ, บาปด้วยการรักษาศีลละเว้นอบายามุขต่างๆเท่านี้เองคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะนำความสุขการเลิศอันประเสริฐที่จะนำลดแห่งธรรมที่ชนะร ด, ดทั้งปวงให้แก่ผู้ปฏิบัติ การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะ า, าวาริรวาหาปุราปาริปุเรนตีสาคลังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานาังอุปกกปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตโตสพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยถามณีติีราโสยถาสัพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตโตอันตรายุสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาทานาสีฤทธะนิจังวุธาปจายโนะจตารโรธรมมาวทานติอายุวโนโสุขังภาลางวันนี้มีผู้ติด ต, ตามเบาเสียงช น, นิกดกระดาษรู้สึกมันก้องไปหน่อยมันก้องวาน ตอนนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่วันนี้เข้ามาทางเ c e b o o k 489ย t u b บ276วิธีออนไลน์10ซูม13รวมทั้งหมด788ครับก็ถ้ามีคำถามก็เริ่มถามได้เลยคำถามจากคุณ วการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโดยต้องกักขังเขาบ้างในบางครั้งเป็นการทําบาปหรือไม่ครับเช่นการเลี้ยงหมาปล่อยไว้ในเขตพื้นที่บ้านแต่เขาไม่สามารถออกไปที่อื่นได้ครับคือความเป็นจริงเราก็ดูความเป็นจริงถ้าปล่อยออกเข้าไปเขาอาจจะไม่ปลอดภัยกับเขาถ้าเรากักขังเขาเพื่อความปลอดภัยก็ไม่ ไม่ได้เป็นการกระทําการที่ทารุณโหดร้ายแต่อย่างไรเพราะเรามีเมตตาเป็นเหตุผลของการกระทําแต่ถ้าเราที่ว่ายังเป็นการกักขังอยู่เราก็อย่าไปเลี้ยงสัตว์ก็แล้วกันปล่อยให้เขาอยู่ไปตามธรรมชาติของเขาตามบุญตามกรรมของเขาไปแต่ถ้าเราเลี้ยงด้วยความเมตตาดูแลเขาดีเหมือนลูกของเราอย่างนี้ ก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เสียหายแต่อย่างใดแต่จะให้เขามีความ อ, าอิสระเหมือนกับสัตว์ที่ไม่มีใครเลี้ยงมันก็เป็นไปไม่ได้คำถามต่อเนื่องนะครับถ้าการเลี้ยงไส้เดือนให้เขาช่วยย่อยอาหารทาปุย๋ยแต่ต้องใส่ในกล่องหรือกระมังที่ไม่ใหญ่นะถึงเป็นการกักขังเป็นการก่อกรรมต่อกันหรือไม่ครับ มันจะว่าทำเป็นก็ได้เพราะว่าอยู่ดีๆเราไปถ้าเอาเข้ามาทําไมทําไมไปไม่ปล่อยใหเขาอยู่ไปตามธรรมชาติของเขาเรามีกิเลสเรามีความอยากเหมือนก็เอาเข้ามาเป็นทาสเราเนี่ยเหมือนอเมริกาไปจับพวกคนผิวดําจากแอฟริกามาเป็นทาสมาช่วยทําไล่ไถนาให้กับเขาเนี่มันก็เป็นการอ่ ทนเขาเป็นธาตุไม่มีใครอยากจะเป็นธาตุแม้แต่ไส้เดือนมันก็ไม่อยากจะเป็นธาตุมันก็อยากจะอยู่ตามอิสระของมันคำถามจากคุณวะลายพรคุณพ่ออายุ81ปีมีอาการติดเชือ้อรักษาตัวในโรงพยาบาลตอนนี้อาการดีขึ้นแต่สภาพร่างกายยังอยู่ในสภาพคนไข้ติดเตียงคุณหมอให้ญาต วางแนวทางว่าหากมีภาวะความดันที่ตกจะให้ยากระตุ้นความดันไหมหรือปล่อยให้ความดันตกและเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วหรืออีกกรณีหนึ่งคือหากเกิดภาวะที่ติดเชื้อขึ้นมาอีกครั้งจะให้ยาฆ่าเชื้อหรือไม่ซึ่งยาฆ่าเชื้อที่จะให้ในครั้งต่อไปอาจจะ มีอาการข้างเคียงมากขึ้นครับลูกจึงอยากขอคําแนะนําจากท่านพระอาจารย์ว่าหากเราไม่ต้องการยื้อชีวิตคุณพ่อและต้องการให้ท่านจากไปในสภาพที่ไม่มีทุกขเวทนาอย่างที่แพทย์แนะนําต้องทําอย่างไรครับก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณพ่อเองนะเพราะชีวิตเป็นของชีวิตของคุณพ่ อ, อครับเองก็ได้คุณพ่อเป็นคนตัดสินใจว่าจะรักษาไหมหรือไม่รักษา อันนี้เราไปตัดสินแทนท่านไม่ได้เราถามท่านว่าพ่อจะให้ทำอะไรดีหมอก็ว่าเป็นอย่างนี้เวลาเป็นอีกอะจะให้กินยาจะกินไหมก็ต้องเป็นเรื่องของคุณพ่อไปเราไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยว เรามีหน้าที่รับใช้สนับสนุนความปรารถนาของท่านยกเว้นว่าถ้าความปรารถนาของท่านมันผิดก็ไม่ควรสนับสนุนเช่นท่านบอกว่าอยากจะกินยาตายอย่างนี้เราก็ไม่สามารถสนับสนุนได้เพราะเป็นการส่งเสริมการกระทำบาปคำถามจากคุณจตุพรตอนนั่งภาวนาใช้วิธีดูลมหายใจเข้าท้องพุทธลมหายใจออก ท่องคำว่าโททำไปแรกๆใจก็สงบดีแต่นานไปลมหายใจมันตามไม่ทันพุทโทรครับควรเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือให้พยายามดึงพุทโทให้ช้าลงมาครับอเราก็ต้องเอาลมเป็นตัวหลักสิเพราะลมมันเราไปสั่งมันไม่ได้แต่พุทโทรเราสั่งได้สั่งให้มันช้าสั่งให้มันเร็วได้ถ้าเราคิดว่ามันยุ่งยากก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งเลยก็ได้ พุโทโธอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องไปสนใจกับลมหรือดูลมอย่างเดียวโดยไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้คำถามจากทางอินบ็อกซ์คุณพุทธิพงศ์ครับคุณแม่ผมไปปฏิบัติธรรมกับกลุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งซึ่งเน้นให้สวดมนต์เข้าวัดและให้ฝึกดูลมหายใจขาเข้าเพียงอย่างเดียวครับลมหายใจขา ขาออกไม่ให้สนใจให้ทิ้งไปเลยเพราะพวกเขามีความรู้สึกว่าไม่สามารถตามลมขาออกได้ทันและมีความคิดว่าจริตการฝึกแบบนี้คือวิธีที่ดีและเร็วที่สุดเร็วกว่าวิธีใดๆเจ้าสำนักและคุณแม่พยายามยัดทียัดเยียดวิธีการฝึกแบบระลึกรู้สึกใจให้ผมตลอดโดยจะบอกว่า ผมอย่ามัวแต่ไปฝึกแบบอื่นมันช้าให้เอาแบบระลึกรู้สึกที่ใจเท่านั้นที่เร็วและเป็นทางลัดครับแล้วก็คําถามนะครับผมเป็นลูกผมจะเตือนคุณแม่แบบตรงไปตรงมาผมจะบาปไหมครับและจะปฏิบัติตนอย่างไรต่อบุปการีครับความจริงถ้าท่านไม่ได้ปรึกษาเราเราก็ปล่อยให้ท่านทำไปตามมัธยสัยของท่านดีกว่า <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวไปขัดใจท่าน ก็จะทําให้ท่านไม่สบายใจได้ยกเว้นว่าถ้าเรารู้ว่าทําแล้วจะเกิดโทษกับท่านเราก็อาจจะขอโอกาสพูดดีๆกับแมกกาบขออนุญาตก่อนว่าผมอยากจะมีเรื่องเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่อยากจะฟังไหมเกี่ยวกับเรื่องวิธีปฏิบัติของคุณแม่ท้าคุณแม่บอกอ๋อฉันไม่อยากจะฟังอย่างนี้ก็แล้วไปถ้าแม่บอกเอเอเมีเป็นยังไงเลยเราก็พูดไป ต้องดูว่าท่านพร้อมที่จะรับฟังหรือไม่เพราะบางทีท่านก็มีความเชื่อฝังใจของท่านเะเมื่อท่านเชื่ออะไรแล้วใครมาพูดอย่างอื่นมันก็ทําให้ท่านรู้สึกไม่พอใจได้ฉนั้นก็ต้องดูการที่เราจะไปสอนไปบอกใครเนี่ยเราต้องดูว่าเขายินดีจะฟังหรือไม่ส่วนใหญ่ทางที่ดีก็คือร้อยเข้ามาถามเราดีกว่าอย่างพวกท่านมาถามเราวันนี้ เราไม่ไปตามที่บ้านคุณแล้วไปบอกคุณให้ทําวิธีนั้นวิธีนี้เพอะาะเดี๋ยวคนก็จะเตะแล้วออกจากบ้านนะ <c oughs> ใช่ไหมดังนั้นทางที่ดีก็อย่าไปยุ่งกับชีวิตของคนอื่นเลยนะปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขานอกจากว่าเขาสงสัยแล้วเขาอยากจะถามเราเราก็ค่อยบอกเขาดีกว่าบอกแบบนี้แล้วเขายินดีฟังเขาตั้งใจฟังเขาอยากจะฟัง ไปบอกแบบที่เขาไม่อยากจะฟังแนละ้วมันไปฟังแล้วมันก็เข า, าฟังแล้วเขาอาจจะเบื่อเออาจจะเกลียดขี้หน้าเราขึ้นมาครับคําถามต่อเ น, นี้อนะครับและถ้าหากกรณีที่มีการรับรองผู้เข้าขั้นโสดาบันในกลุ่มกันเองนะครับมีการรับรองพี่สาวผมเป็นคนดีมีบารมีมากเพราะคอยดูแลเจ้าสํานักคุณแม่จึงเกิด ความไม่ยุติธรรมกับลูกคนอื่นๆเจ้าสํานักจึงมีตรากะให้คุณแม่มาสอนเรื่องความยุติธรรมคุณธรรมว่าให้ผมดูนิ้วมือตัวเองว่าเท่ากันไหมเพราะฉะนั้นจะหาว่าคุณแม่ลําเอียงไม่ได้เพราะว่านิ้วมือผมก็ยังไม่เท่ากันครับออันนี้มันก็เรื่องของเขาแหละเขาเป็น ไม่รู้จะพูดยังไงดีก็ไม่พูดดีกว่าขอผ่านนะคำถามต่อไปจากฝากถา ม, มบริเวณที่จะต้องออกไปตากผ้าต้องทําความสะอาดแทบทุกวันหากหรื้อรังนกออกจะเป็นบาปไหมครับก็เหมือนกับเขาจะทําทางด่วนผ่านบ้านเราเนี่ยแล้วเขาขอรื้อบ้านเราแเราจะคิดยังไงมันก็แบบเดียวกันนะจะว่าบาปหรือไม่บาปมันอาจจะไม่บาปแต่มันไปเบียดเบียนฮ ไม่เมตตาผู้นี้ดีกว่าไม่เมตตาขาดความเมตตาเอาประโยชน์ของตนเป็นหลักไม่คา น, นึงถึงความเสียหายของผู้อื่นถ้าเป็นคนมีความเมตตาก็า จ, จะคิดว่ า, อ, าอยู่กันไป เ, เราก็ทำความสะอาดของเราไป อ, าอย่างน้อยเขาก็จะได้มีที่อยู่อาศัยถ้าเกิดเราต่อไปไปเป็นนกเราก็อาจจะมีคนสงเคราะห์เร า, เาไม่ขับไล่สายส่งเราเวลาเราไปทารังอยู่ที่ไหน อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการตัดสินใจของตนอยังไม่ถึงขั้นบาปเพราะยังไม่ได้ไปทุบตีไปฆ่าเขาคำถามจะผู้ฝากถามการทำงานมักจะมีคนเอาผลงานของเราไปเป็นผลงานตนเองตลอดไม่เคยให้เครดิต หากเป้าหมายเราคือทํางานเพื่อมีเงินมาซื้อปัจจัยสี่เราควรปล่อยวางถือว่าเป็นทานคิดแบบนี้เป็นอุเบกขาไหมครับเป็นท้าใจแล้วไม่เดือดร้อนวุ่นวายกับการกระทําของเขาก็ถือว่าเรามีอุเบกขาในระดับหนึ่งคําถามจากคุณดาวเรืองคนเล่นหุ้นจะถือว่าผิดศีลไหมครับก็อยู่ว่าเล่นแบบไหนก็การเล่นหุ้นหรือเล่นการพนันความจริงไม่ผิดศีลอยู่แล้วเป็นอบายมุก ที่จะทำให้ไปทำผิดศีลต่อไปเพราะถ้าเล่นการมานานเดียวถ้าเกิดเสียก็จะต้องไปหาเงินมาเล่นต่อถ้าไม่มีเงินของตนเองก็อาจจะไปขโมยเงินของคนอื่นมาเล่นเห็นถ้าหลีกเลี่ยงอาบายามุกได้มันก็จะไม่มีอะไรมากดดันให้เราไปทำผิดศีลได้คำถามจากคุณนัทพัฒนเกี่ยวกับอนาปานสติครับ ตอนหายใจเข้าผมกําหนดว่าเข้าพอลมหายใจออกกําหนดว่าออกอาณาปานสติเขาทําแบบนี้ไหมครับจะให้ดูลมอย่างเดียวทําไม่ได้ครับพอลมเข้ามันก็ไปบริกรรมว่าเข้าพอลมออกมันก็บริกรรมว่าออกครับก็ได้เข้าก็ได้ออกก็ได้คําถามจากคุณกิ่งแก้วมีมิตรธรรมสนใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเขาต้องการคําแนะนําเจ้าค่ะแต่ลูกพอเคยได้ยินมาว่าผู้ที่จะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิต้องมีครูบาอาจารย์แนะนําอันนี้จริงหรือไม่เจ้าค่ะทุกอย่างแะไม่ว่าเราจะทําอะไรถ้าเราทําไม่เป็นเราก็ต้องมีอาจารย์สอนทํากับข้าวก็เหมือนกันไม่มีอาจารย์สอนก็ทําไม่ได้เคยเล่าเรื่องฝรั่งอยากจะทํำข้าวผัดไม่มีอาจารย์สอนก็ไปซื้อข้าวสารมา เราก็น้ำมันซื้อผักซื้อหมูซื้ออะไรมาส่วนผสมแต่ไม่ได้หุงข้าวเอาข้าวผัดใส่กันไปในกระทะพร้อมกับของอย่างอื่นเลยผัดยังไงมันก็ไม่เหมือนกับข้าวผัดที่ไปซื้อมาจากร้านเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่มีอาจารย์สอนเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์เขาก็จะบอกว่าต้องหุงข้าวก่อนหุงข้าวสารให้เป็นข้าวสุกก่อนแล้วถึงจะเอามาผัดได้เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีอาจารย์สอน ถึงได้อาจารย์ในทางธรรมนี้มีหลายรูปแบบหนังสือนี้ก็เป็นอาจารย์ได้เนีย่ยฟังเทศตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ได้ไม่ได้มาคำว่านั่งสมาธิต้องมีอาจารย์มานั่งประกบเหมือนเต้นลานี้เอ <c oughs> <c oughs> ถ้าเต้นลานี้ต้องมีอาจารย์มาประกบด้วยแต่ถ้าฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมนี้ไม่ต้องมีอาจารย์มานั่งประกบอบขอให้เรามีคนสอนเราสอนวิธีที่ถูกต้องแล้วเราก็ปฏิบัติของเราเอง แล้วถ้าเรามีคําถามมีปัญหาแล้วก็ถามต่อถามใหม่ติดตามอยู่เรื่อยๆฟังอยู่เรื่อยๆเพราะแง่มุมของการปฏิบัติมันมีหลายแง่หลายมุมด้กันฟังหนเดียวมันยจะฟังไม่ได้หมดนะคําถามจ้าคุณรัฐดลการภาวนาด้วยการหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรหรือภาวนาแต่พุทโทไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจกับลมหายใจครับได้ได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่จะพอใจ ดูลมอย่างเดียวไม่มีพุทธเข้าโทออกก็ได้พุทธโทอย่างเดียวไม่ดูลมก็ได้มีสามวิธีเนี่ยดูลมเฉยๆดูลมแล้วก็มีพุทธเข้าโทออกมากำกับแล้วก็มีแล้วก็แบบพุทธโทอย่างเดียวไม่มไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับลมก็ได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีพระบอกว่าหนูกำลังจะตายควรจะทำอย่างไรดีเจ้าคะ่ะ ทุกคนต้องตายเหมือนกันนะท่านพูดแบบทางกลา ง, ลางท่านไม่ได้พูดแบบเหมือนกับหมอทางโรงพยาบาลบอกหนูจะต้องตายพาท่านสอนมอนานุสติให้พวกเราเราลึกถึงความตายกันว่าเกิดมาแล้วต้องตายกันด้วยกันทุกคนเห็นเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้มันไม่มันไม่นานมันไม่มันมีวันหมดงั้นก่อนที่มันจะหมด เราเลือกมาทำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเราดีกว่าเพราะจิตใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจของเราต้องไปต่อเห็นเรามาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คือทำบุญปฏิบัติธรรมดีกว่าเพราะจะสนับสนุนจะส่งเสริมให้ใจเราไปสู่สุกติไปสู่ที่ดีต่อไปคำถามจากคุณเติม ามที่พระพุทธเจ้าสอนมาต้องทำบุญแบบไหนถึงจะไปสู่พระนิพพานได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกครับก็นั้นแหละมันเป็นเป็นเป็นการเรียนปริญญาเนี่ยก่อนจะได้ปริญญาเอกก็ต้องเริ่มต้นที่อนุบาลก่อนใช่ไหถ้าเราไม่เคยไปโรงเรียนเลยเราก็ต้องไปเริ่มต้นที่ขั้นต่ำที่สุดที่เขาสอนแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมา จากอนุบาลไปสู่ชั้นปฐมจากชั้นปฐมไปสู่ชั้นมัธยมอย่างมัธยมก็ไปสู่ระดับปริญญาตรีก่อนได้ตรีแล้วก็ไปต่อโทได้โทแล้วก็ไปทำปริญญาเอกต่อนิพพานนี้ก็เป็นเหมือนปริญญาเอกของการปฏิบัติธรรมการจะก้าวไปถึงพระนิพพานได้ก็ต้องเริ่มต้นอยู่ที่ขั้นของอนุบา ล, ออบาลก่อนคือการทำบุญทำทานแล้วก็ขั้นรักษาศีล ศีลก็มีหลายขั้นศีลห้าศีลแปดศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดเป็นต้นนี่ครับเป็นศีลขั้นต่างๆทำทานก็มีทำมากทำน้อยไปตามกำลังต้องทำในที่สุดก็ต้องทำให้เต็มที่ทำให้เต็มร้อยทุกขั้นสมาธิก็เหมือนกันปัญญาก็เหมือนกันนั่นละถึงจะได้ไปถึงขั้นพระนิพพานได้ คำถามจากคุณราเวนถ้าพ่อแม่นับถือคนศาสนาทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่จะได้รับหรือไม่ครับได้ดวงวิญญาณทุกวิญญาณเหมือนกันเป็นสากลไม่ขึ้นอยู่กับการนับถือศาสนาไหนดวงวิญญาณก็เหมือนร่างกายเนี่ยร่างกายนีย้พุทธหรือร่างกายสลามหมอเวลาเขารักษาเขาไป ม, มาดูก่อนว่าเป็นร่างกายสลามหรือร่างกายพุทธใช่ไหมเขาก็รักษาแบบเดียวกันพ่อเหมือนกัน ใจก็เหมือนกันใจไม่มีอิสลาไม่มีพุทธไม่มีคิดเนี่ยใจเป็นผู้รู้ผู้คิดคําถามจากคุณวาริศที่หลวงตาเล่าให้ฟังว่าจิตเสื่อมไม่สามารถกลับเข้าสมาธิได้พอได้กลับมาใหม่ก็เสื่อมวนไปอยู่อย่างนี้มันจะทุกข์มากไม่สามารถทำจิตให้เป็นฌานได้ควรทำอย่างไรดีครับอันนั้นเป็นการปฏิบัติเบื้องต้นครั้งที่ท่านเริ่มออ ก, ออกปฏิบัติใหม่ๆ ท่านเพิ่งได้สมาธิใหม่ๆแต่ยังไม่ชำนาญยังไม่ยังไม่เก่งพูดง่ายๆแล้วก็ท่านก็ไปหลงไปทำงานอย่างอื่นไปทำกรดอยู่เดือนหนึ่งช่วงนั้นใจท่านก็ไม่ได้ควบคุมท่านก็อยู่กับกรดทำกับกรดไปคิดปรุงแต่งกับเรื่องกรดทำไงให้มันสวยให้มันงามอะไร พอทำเสร็จเวลาจะมานั่งสมาธิสติหายไปหมดแล้วนั่งแล้วก็ไม่สงบลืมไปว่าสติได้จากอะไรตอนหลังมานั่งพิจารณาอยู่พักถึงได้ว่าออมันไดจากพุทโธนะก็เลยกลับมาพุทโธใหม่มาเจริญพุทโธใหม่พอมันเจริญพุทโธพุทโธเดี๋ยวพอไปนั่งสมาธิจิตมันก็เริ่มสงบเหมือนเดิมต่อไป คำถามจะคุณนรงชัยเมื่อทำสมาธิจนจิตสงบเงียบกายนิ่งเงียบระยะเวลาหนึ่งต่อมาก็เริ่มพิจารณาร่างกายกระดูก ส่วนต่างๆสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นดูการเกิดขึ้นและหยุดไปของความรู้สึกในร่างกายแบบนี้เรียกว่าการทำวิปัสสนาหรือไม่ครับและการเกิดขึ้นของญาณปัญญาต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาเองหรือต้องทำการคิดพิจารณาครับคือการเจริญปัญญานี้มันต้องคิดเป็นเรื่องๆไปไม่ใช่คิดแบบครอบจักรวาลจากน่างกายไปที่ความรู้สึกจากให้ความรู้สึกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ อันเรียนหนังสือก็เหมือนเรียนเป็นวิชาวิชาไปชั่วโมงนี้เรียนคณิตศาสตร์ก็เรียนเอาแต่คณิตศาสตร์อย่างเดียวเอาให้มันเข้าใจอย่างถ่องแท้ชั่วโมงต่อไปไปเรียนวิทยาศาสตร์ก็ไปเรียนให้มันเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งการเจริญปัญญาถ้าจะเอาเรื่องร่างกายก็ต้องเอาให้มันเห็นชัดๆในว่าความเป็นอนิจจังของร่างกายเป็นยังไงเออร่างกายมันเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีเรารู้ปเปล่า ไม่ไม่เชื่อลองไปถ่ายรูปดูเลยเวลาเกิดมาใหม่ๆแล้วอีกสิบปีมาถ่ายรูปอีกทีแล้วมาเปรียบเทียบเย่ยกลายเป็นคนละคนไปเลยแต่ถ้ามองทุกวินาทีมันมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่มันเปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนแปลงจากจากเล็กจากน้อยไปแต่พอสิบปีมารวบรวมกันเข้ามาโอ้โหกลายเป็นคนละคนเลยนี่คืออ น, นิจจังดูการว่าร่างกายมันไม่มันไม่นิ่งเฉยเนี่ย มันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทั้งไปในทางเจริญตบโตแล้วก็เปลี่ยนไปในทางเสื่อมพอมันโตเต็มที่แล้วเป็นหนุ่มใหญ่เป็นสาวใหญ่นะทีนี้มันก็เริ่มเข้าสู่วัยชราชราแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มเจ็บไข้ได้ปว่วยถ้าเดี๋ยวมันก็หมดลมหายใจหมดลมหายใจก็ต้องพิจารณาต่อมันไปไหนต่ อ, อมันก็แยกตัวดินน้าลมไฟ ที่มารวมอยู่กันในร่างกายมันก็แยกเป็นคนอาทิศละทางถ้าเผาก็เหลือแต่ดินขี้เถ้าเพราะไฟมันเผาทั้งน้ําทั้งลมทั้งไฟหายไปหมดเนะี่ยก็เหลือแต่ดินถ้าไปฝังก็เหลือแต่ดินเหมือนกันอันนี้คือการพิจารณาร่างกายในลักษณะของอนิจจังแล้วลองพิจารณาในลักษณะของอนัตตามันเป็นไงไปนอนัตตามันมีตัวต้นเหรือ มันมีตัวตนแล้วทําไมเวลามันเวลาไม่มีลมหายใจแล้วมันทําไมมันไม่มีใครมาทําแล้วตัวตนมันหายไปไหนตัวตนมันไม่มีมันเป็นเพียงอาการสามสิบสองผมขนเล็บฝันผมก็ไม่มีตัวตนขนก็ไม่มีตัวตนพิจารณาเห็นว่าเป็นเพียงอาการทำมาจากดินน้ําลมไฟแล้วก็พิจารณาความไม่สวยงามของร่างกาย เราชอบเห็นแต่ความสวยงามเราลืมไปว่าร่างกายมันมีทั้งความสวยงามและไม่สวยงามเราต้องการดูความไม่สวยงามเพื่อจะทำให้ใจเราไม่ไปหลงรักร่างกายเพราะความรักร่างกายทำให้เราทุกข์พอเวลาร่างกายไม่สวยเวลาร่างกายเปลี่ยนไปมันก็จะทำให้เราทุกข์หรือถ้าเราไปรักคนอื่นมันก็จะทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเขา แต่พอไปเห็นส่วนที่ไม่สวยของร่างกายเขาเ้วก็จะไม่อยากจะอยู่ใกล้เขาไม่อยากจะมีเขาออันนี้เป็นการพิจารณาในลักษณะต่างๆของร่างกายเอามันทีละเรื่องพิจารณาแล้วก็ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันจําได้เหมือนกับท่องสูตรคูณไม่ใช่พิจารณาคนเดียวว่าให้เข้าใจแล้วรู้แล้วไม่ได้หรอกเดี๋ยวพอไปเห็นใครหน้าตาดีหน่อยหลงรักเขาละ ลืมแปลว่าลืมดูส่วนที่ไม่สวยลืมดูโครงกระดูกของเขาลืมดูตับไตไส้พุงของเขามองไม่เห็นมันต้องเห็นตลอดเวลาแล้มันจะได้ไม่หลงไปรักใครใครจะหลอ่อใครจะสวยยังไงพอมองเข้าไปใต้ผิวหนังนี่เหมือนกันหมดเป็นโครงกระดูกเท่งนั้นน <c oughs> มีลำไส้ทั้งนั้นมีปอดมีตับมีไตทั้งนั้น <c oughs> ต้องเห็นแบบ e วล Time มองเห็นแบบสดสดร้อนๆไม่ใช่เห็นแบบพิจารณาไว้เมื่อวานนี้พอวันนี้มามองมันไม่เห็นแล้วมันต้องเห็นตลอดเวลาทุกครั้งถึงจะปล่อยวางร่างกายได้ทุกรูปแบบมองเห็นความตายตลอดเวลามันก็จะปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความตายได้ว่าในที่สุดร่างกายมันก็ต้องหมดลมไป บ, บ่อยก็ปล่อยมันหมดไปจะทํายังไงได้ห้ามมันไม่ได้นี่คือการพิจารณาร่างกายไม่ใช่พิจารณาจุ๋มจิ๋มนิดหน่อยกินเหมือนกระจิมเอาเอาขนมมาจิ้มน้ําจิ้มหน่อยแล้วก็ไปเอาขนมอีกชิ้น ม, มาจิ้มนี่มันไม่ได้สักเรื่อ ง, องนีอมันต้องเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งพระเจ้าถึงสอนแยกพิจารณากายก่อนแล้วก็ไปเวทนาเวทนาแล้วก็ค่อยไปจิตเนี่ย ไม่ น, นี่พี่เราเอาแบบรวมกันเลยรวมมิตรเลยเลยไม่ได้เลยสักอย่างเพราะว่าปล่อยวางอะไรไม่ได้สักอย่างพอถึงเวลาก็ทุกข์กับกายทุกข์กับเวทนาทุกข์กับจิตทันที <S <S อ น, นี้คือการ <S 1> <S 1> การเจริญปัญญานี่เป็นงานหนักต้องใช้เวลามากนะทําได้เป็นพักๆเดี๋ยวหมดเรี่ยวแรงเดี๋ยวจิตมันเริ่มทะเลยทะเลยแล้วไม่ยอมพิจารณานะ้ ก็ต้องดึงมันกลับเข้าไปในสมาธิเพราะมันแรงของอุเบกขาหมดแล้วแรงกิเลสมันเริ่มออกมาดึงจิตให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสนะ mm. ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิสลับกันระหว่างปัญญากับสมาธิเวลาเข้าสมาธิก็ไม่พิจารณาตามใจให้นิ่งชาติแบบอย่างเดียวพอบัดเต็มแล้วค่อยออกมาใช้เครื่องตอบเปิดเครื่องแล้วก็ใช้ได้พอจากสมาธิมาก็พิจารณาปัญญาต่อ เอาให้มันจำให้ได้อาการ32มองให้เห็น เ, นเกิดแก่เจ็บตายนี่ต้องอยู่กับเราไม่ใช่ใครมาทักหนา้าคุณจะตายตกใจแล้วอะไรวะมันมีความตายมานั่งแต่เกิดแล้วมันติดมาด้วยกันเ้าไปกลัวอะไรใช่หไหมถ้าคนรู้ความจริงมันไม่กลัวแล้วนี่คนไม่คิดถึงความตายกันพอการพูดถึงความตายหน่อยโอ้ตกใจกันวุ่นวายกันไปหมดนี่แะ ไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามตามอารมณ์ที่เศร้าเสียใจและกําลังไหลาตามมันแต่ความคิดมาพิจารณารวดเร็วมันก็ค่อยๆดับไปจนอารมณ์นั้นหายไปเหมือนสติตื่นขึ้นครับเป็นแบบนี้มันพิจารณาเองหรือครับก็มันทําไปตามตามหน้าที่ของมันที่ไม่เคยถูกสอนมามเคยถูกสอนให้ทําอย่างไรมันก็จะทำอย่างนั้น คำถามจากคุณนัฐพลเวลาเกิดความคิดที่ไม่ดีขึ้นแก่ผู้อื่นผมจะรีบวกกลับมาเตือนตนเองเสมอหรือพอทําอะไรผิดพลาดหรือประมาทไปก็จะกลับมาเตือนตนเสมอแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องไม่ควรจะไปะไปคิดล้ายไปตำหนิผู้อื่นควรตําหนิตัวเราดีกว่าผู้อื่นเขาจะดีเขาจะไม่ดีมันไม่ได้มทําให้เราดีหรือไม่ดีไปกับเขา แต่ถ้าเรามาําเนตตัวเราแล้วเราปรับตัวเราทําตัวเราให้ดีขึ้นเราก็จะดีขึ้นเองคําถามจากคุณสุบรรณาลูกเลี้ยงแมวสี่ตัวจะหาคนที่รักและรับไปเลี้ยงจะเป็นการพราคแม่พาคลูกใหม่เจ้าคะ่ะแต่บอกกล่าวแม่แมวว่าจะหาคนที่ถูกใจให้ครับ เ, ออเขาคงไม่รู้หรอกภาษาเราภาษาเขาเออก็ ก็ทำยังไงได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาได้แล้วมีพู้มีเมตตามารับไปถ้าเขารับไปทั้งหมดเขาก็ยังอยู่ด้วยกันได้อยู่แต่ถ้าเขารับเพียงตัวเดียวเ็าต้องแยกทางกันไปซึ่งโดยธรรมชาติของสัตว์เวลามันโตแล้วมันมันก็มักจะไม่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วสังเกตดูหมาในวัดนี่หรือแมวนี่พอมันโตมันก็แยกกันไปตามธรรมชาติคนก็เหมือนกันพอโตแล้วก็ไม่อยู่กับพ่อกับแม่แล้วะ แยกกันไปตามความต้องการของตนเห็นถ้าเป็นไปแบบธรรมชาติไม่ได้ไปเคี่ยวเข็นบังคับเขาไม่ก็ไม่เป็นการไปทำร้ายเขาคําถามจากคุณรุ่งทีวาการที่เรายึดติดกับพ่อแม่ครูอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นกิเลสหรือไม่ครับถ้าเรายัางต้องพึ่งครูอาจารย์ก็ต้องยึดติดกับท่าน คำถามจากคุณเบญจามีสองคำถามนะครับคำถามแรกในขณะที่กําลังนั่งสมาธิรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขจนรู้สึกได้ว่าใบหน้านั้นยิ้มออกมาสักพักอาการนั้นก็หายไปควรทำอย่างไรครับก็ให้รู้ว่าเป็นอนิจจังก็แล้วกันรู้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ต้องไปยินดียนร้ายกับมันให้รู้เฉยๆคำถามข้อที่สอง หากว่าเราฝันในความฝันนั้นเราได้ทะเลาะรือลบหลู่ผู้มีพระคุณพอตื่นมาจะรู้สึกไม่ไม่สบายใจควรปฏิบัติอย่างไรครับก็พยายามเตือนสติสร้างสติขึ้นมาเวลาพูดคุยกับผู้มีพระคุณให้ระมัดระวังอย่าไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีกับท่านอันนี้เป็นเหมือนกับเรามีมีอะไรมา มาเตือนเราไว้ก่อนบอกเราไว้ก่อนว่านิสัยเราไม่ดีชอบไปพูดไม่ดีกับผู้หลักผู้ใหญ่เห็นเราต้องมาพยายามมีสติเวลาอยู่ใกล้ผู้ใหญ่ให้มองว่าเหมือนเป็นพระดีกว่าเหมือนอยู่ใกล้พระเหมือนอยู่ใกล้พระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมพอไปอยู่ใกล้พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยโอ้เรียบร้อยนิ่งเชียบท่า <c oughs> <c oughs> นจะพูดยังไง ก็ฟังอย่างเดียวอยแบบนั้นมองพ่อแม่ว่าเป็นเหมือนพระเป็นเหมือนพระเจ้าแผ่นดินแล้วเราก็จะได้ไม่กล้าพูดร้ายกับท่านคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามจิตรวมกับจิตแยกออกจากกายทั้งสองเกิดขึ้นตอนนั่งสมาธิใช่ไหมครับมันคืออะไรสองอย่างนี้ เหมือนตรงกันข้ามกันแต่ทำไมสามารถเกิดขึ้นตอนนั่งสมาธิได้เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ใช้ศัพท์ต่างกันจิตแยกออกจากกายเวลานั่งสมาธิเราดึงจิตคือวิญญาณที่มาเกาะติดที่ตาหูจมูกลิ้นกายให้หดเข้าไปที่ใจให้ไปรวมในใจก็เลยเป็นการแยกจิตกับกายออกจากกันด้วยการรวมจิตเข้าไปอยู่ในตัวรู้พร้อมทั้งหมด นามังขันทั้งสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณถูกดูดกลับเข้าไปอยู่ในจิตหมดตอนนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณไม่ปรากฏไม่ทํางานเหลือแต่ตัวรู้คือจิตตัวเดียวคําถามจะคุณคมเวลาฟังธรรมอยากอยู่เงียบๆ บ, บางครั้งมีคนบอกให้หรีเสียงเราหงุดหงิดเวลาที่เผลอ จึงคิดว่าจะไปอยู่ที่ห่างไกลเช่นไปอยู่วัดซึ่งไม่มีใครสนใจใครพยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเองอยู่หลายครั้งแต่ยังทำไม่ได้ครับก็ใช้หูฟังไม่ได้เะยใช้หูฟังจะได้ไม่ไปรบกวนคนอื่นเพราะถ้าเราเปิดเสียงดังบางทีคนอื่นเขาไปรบกวนเขาเขากำลังทำงานทำอะไรอยู่เราก็ต้องคิดถึงผู้อื่นด้วยไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ตัวเราเป็นหลักเท่านั้นเอง เพรนถ้าถ้าไปหนีมันก็หนีไม่พ้นเพราะไปอยู่ที่ไหนถ้ามีคนเดี๋ยวก็ต้องมีปัญหากับคนแต่ถ้าเรารู้จักปรับตัวเราให้เข้ากับคนได้เราก็ไม่ต้องหนีไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ปรับตัวเข้ากับคนคําถามจากคุณกุลธิดาเวลาที่นั่งสมาธิสงบแต่ยังได้ยินเสียงอยู่บ้างโดยที่ไม่ได้กําหนดลมหรือพุโทโธได้ไหมครับ ถ้าจิตสงบแล้วยังได้ยินเสียงอยู่แล้วจิตไม่ปรุงแต่งก็ให้มีสติรู้เฉยๆไปก็ได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามสถานการณ์ใดเหตุการณ์ใดที่ต้องท่องพุโทโธให้เร็วขึ้นและสถานการณ์ใดที่จะต้องท่องพุโทโธให้ช้าลงครับก็เวลาจิตฟุ้งมากเยก็ต้องพุโทโธให้ให้เร็วขึ้น แต่เวลาจิตที่ไม่ฟุง้งจิตเบาๆคิดน้อยๆก็ไม่ต้องไม่ต้องพุทโธเร็วก็ได้ต้องแข่งกับความคิดปรุงแต่งของจิตบางทีมันคิดจะไปเที่ยวคิดไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสู้กับมันไปจะล uk, ุกจะลุกจะลุกเนี่ยมันแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธกับมันไปอย่าปล่อยให้มันคิดจะลุกจะลุกจะลุกเดี๋ยมันเดี๋ยวมันคิดมากๆเดี๋ยวมันลุกไะ แต่ถ้าเราใช้พุทธโธสู้กับมันได้เดี๋ยวมันหยุดคิดจิตก็จะเน่งสงบได้คำถามจากคุณนัทพลเรื่องการเดินจงกรมครับพระสายหลวงปู่มั่นสอนให้เดินเท้าขวาเหยียดพุทสายโทแต่ผมเคยได้ยินมาแล้วรู้สึกกลัวการเดินจงกรมว่าไปเหยียบพระพุทธเจ้าครับพอได้ยินแบบนี้ก็พยายามเดินจงกรมแบบพิธีอื่นโดยที่ไม่ไม่ก้าวพุท สายโทรครับได้วิีอย่างไรครับไ ด, ได้ก็ให้รู้เฉยๆว่ารู้ตอนนี้เรากำลังก้าวเท้าไหนซ้ายก็รู้ว่าซ้ายขวาก็รู้ว่าขวาไปเออเราเป้าหมายคือให้จิตมีงานทำเพื่อจะได้ไม่ไปคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆเท่านั้นเองคําถามจากคุณหลิงถ้าทำหมันแมวผิดไหมครับให้ผิดหรอกก็เป็นเรื่องป้องกันไม่ให้ตั้งคันเนี่ย